ทางแยกของวิปัสสนากับอิทธิปาติหารนี่เป็นเรื่องกำลังของสมาธิขณะนี้ยังเป็นกำลังของสมาธิอยู่ถ้าเป็นสมาธิขั้นนี้มันสุดของมันแล้วมันไม่สะดุดมันไม่เป็นขณะมันสุดแล้วถ้าจะทำวิปัสสนาที่นี่คล่องแล้วจะใช้ในทางอื่นก็ได้ตั้งแต่บัดนี้ต่อไป จะใช้ฤทธิ์ใช้เดชใช้ปาฏิหารใช้อะไรอะไรอาจใช้ได้ทั้งนั้นนักพรตทั้งหลายเอาไปใช้ใช้ทำน้ำมนน้ำพรใช้ทำตะกรุดคาถาได้หมดทั้งนั้นถึงขั้นนี้แล้วมันไปของมันได้มันก็ดีไปอย่างนั้นหละดีเหมือนกับเหล้าดีกินแล้วก็เมาดีไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้ตรงนี้เป็นที่แวพระศาสดาท่านแวะตรงนี้ นี่เป็นท่านที่จะทำวิปัสนาแล้วเอาไปพิจารณาทีนี้สมาธิไม่ต้องเท่าไหร่ดูอาการภายนอกเลยดูเหตุผลพิจารณาเรื่อยไปถ้าเป็นอย่างนี้เราเอาความสงบนี้มาพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสพทพะธรรมารมณ์ที่มากระทบอารมณ์แม้จะดีจะชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง เหมือนกับคนขึ้นต้นมะม่วงและเขย่าลูกหล่นลงมาเราอยู่ใต้ต้นมะม่วงคอยเก็บเอาลูกไหนเน่าเราไม่เอาเอาแต่ลูกที่ดีๆไม่เปลืองแรงเพราะไม่ได้ขึ้นต้นมะม่วงคอยเก็บอยู่ข้างล่างเท่านั้น